ให้ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้แล้วรู้สึกตัวเมื่อวานหลวงพ่อไปเทศโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพยาคนไปฟังเยอะเยอะน่าทึ่งคือใจเขาตื่นแยกทาดแยกขันได้ เ, ย, เยอะแยะเลย พวกเราหลายคนก็ช่วยหลวงพ่อทำงานเมื่อวานก็มีไปช่วยกันเยอะแต่และคนก็ช่วยกันคนละอย่างสองอย่างตามถนัดนะบางคนก็ช่วยสอนเป็นพี่ลงพี่เลี้ยงบางคนก็ช่วยทําอินเทอร์เน็ตนะบางคนก็ทําซีดีทําหนังสือนะบางคนคอยอัดเสียง ไปเทศที่ไหนก็ตามไปอัดเอามาเผยแพร่เมืองคนทำอะไรไม่เป็นแจกซีดีเอาซีดีไปแจกมีคนมาเล่าหลวงพ่อในผลนะในผลว่าได้ฟังธรรมะหลวงพ่อจากซีดีที่แม่ค้าขายส้มตำแจกให้ การที่แต่ละคนไม่ใช่ช่วยหลวงพ่อเราเราสำนึกในความเป็นลูกพระพุทธเจ้ากว่าพระพุทธเจ้าจะได้ธรรมะมาเนี่ยยากแสนเข็นเลยลองผิดลองถูกนานมากเลยได้รับความทุกข์ทรมานมากมายกว่าจะได้ธรรมะมาะได้ธรรมะมาประกาศธรรมะอยู่มา 2,600 หรปีรอแร่รรอแร่เต็มปดาแต่เดิมาศาสนาพุทธกว้างขวางทางตะวันออก้วก็ถึงญี่ปุ่นทางใต้ถึงอินโดนีเซียลงไปไปทางตะวันตกนันไปถึงอัฟกานิสถานไปอะไรนกะว้างเดี๋ยวนี้หมดนะเหลือแต่เมืองไทยเ <c oughs> มืองพมัมม่า แล้วก็ลังกาในเมืองจีนในไรตอนนี้กลับมามีวัดมีพระจะทำไปเชิงธุรกิจวัดบินธ พ, พระบินธบาทไม่ได้ดูดูแล้วมันล่อยหลอเต็มทีในลาวพอมีบ้างเขมรยังไม่เคยไปดู ศา ส, สนาพุทธไม่ได้ยิ่งใหญ่ไพศาลเหมือนเมื่อก่อนหรอกในเมืองไทยคนที่สนใจพระพุทธศา ส, สนาเหลือนิดเดียวเราเข้าวัดตอนไปงานศพหรือไม่ก็เป็นศพซะเองไม่มีแค่นั้นเนอะคือถ้าพวกเราไม่รักษานะมันก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเลยหลายๆประเทศนะที่ศาสนาพุทธหายไปมันหายอย่างฉับพลัน ง่ายๆเลยอำนาจการเมืองอำนาจรัฐมันบีบมาชาวพุทธรับไม่ไม่อยู่ก็สลายตัวไปอย่างบางที่กำหนดเลยว่าใครจะบวชต้องขออนุ ญ, ญาตแล้วไม่อนุ ญ, ญาตแค่นี้ก็หมดละในอินเดียรากเงาแท้ๆนะก็หมดที่หมดเพราะว่าคนธรมธรมดาธรรมดานี่ ไม่ได้ศึกษาธรรมะรู้แต่ธรรมะรู้แต่ศาสนาที่เป็นพิธีกรรมพอพวกพระถูกทำลายไปก็สูญไปเลยอยู่ไม่ได้นี่หลวงพ่อดูประสบการณ์จากหลายๆประเทศที่ศาสนามันสูญไปเราพบว่าเราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าบอก พระเจ้าท่านบอกว่าศาสนาจะดำรงได้นะต้องมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่เข้มแข็งกลุ่มแรกที่หลุดไปเลยนะคืออุบาสกอุบาสิกาเข้าวัดมากกว่าอุบาสกก็ค่อยน้อยลงน้อยลงทุกวันนี้หาคนเข้าวัดยากนะสมัยหลายหายปีที่ผ่านมา พ่อเลยพยายามเอาธรรมะ เ, เข้าไปสู่อุบาสกอุบาสิกาซึ่งไม่เอาศาสนาแล้วละ่ะไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะไปแย่งลูกศิษย์สำนักไหนเลยนะเผยแผ่ออกไปวงกว้างคนซึ่งไม่เอาธรรมะแล้วไม่เอาศาสนาแล้วนะแล้วก็บอกพวกเราไเรื่อยๆว่าอย่ามายกหลวงพ่อเป็นฮีโร่นะพระพุทธเจ้าต้องเป็นหลักไว้ เราทำงานถวายท่านเท่านั้นเองแลวทุกคนมีหน้าที่รู้แล้วต้องบอกต่อเราช่วยกันควละไม้ควละเมืองใครทำอะไรได้ที่จะสืบทอดธรรมะแท้ๆออกไปได้ต้องช่วยกันทาเราจะไปไว้วางใจให้คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของาศาสนาพุทธไม่ได้ชาวพุทธต้องเป็นเจ้าของาศาสนาพุทธ เนี่ยทุกวันนี้ธรรมะนี่ลงไปถึงรากหญ้าฉีส่สาเล้งเก็บของเก่าขายยังเปิดซีดีหลวงพ่อเลยมีนะ <c oughs> ร้านขายของชำร้านอะไรนะ่ตามหมู่บ้านตามอะไรมีคนมาบอกตามวัดก็เริ่มเปิดวัดหลายแห่งก็เปิดธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องลึกลับเลยแล้วก็ไม่ยากเกินไปที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเราจะทาได้ ขออย่างเดียวให้ได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังแล้วนะให้ลงมือทาให้สมควรแก่ธรรมะจะทาให้ถูกนะรู้วิธีที่ถูกต้องก่อนเมื่อรู้วิธีที่ถูกต้องแล้วลงมือปฏิบัติทาให้สมควรแก่ธรรมไม่ใช่ทำนิ่ีๆหน่อยๆถ้าเราปฏิบัติถูกแล้วปฏิบัติพอสมควรเราก็จะได้รับผลทันตาเห็นเราจะเห็นด้วยตัวของเราเองเลย เราจะรู้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าน่ออาอัศจรรย์ที่สุดเลยมันถอดถอนความทุกข์ออกจากใจของเราได้อย่างรวดเร็วเฉนี mm ่ hmm. ยพวกเราพยายามศึกษานะฟังแล้วลงมือทำดูแต่เดิมมาจะเรียนยากภาษาที่ใช้ถ่ายทอดกันมันภาษาโบราณเมื่อร้อยปีก่อนสมัยรัชกาลที่ห้าตำรับตำราอะไรนี่มันเป็นรุ่นเก่า คนรุ่นเราฟังไม่เข้าใจหลวงพ่อก็พยายามมาพูดในภาษาที่คนรุ่นเรารู้เรื่องบางสิ่งบางอย่างนะเราได้ยินแล้วเราแปลไม่ออกเราวาดภาพเพี้ยนออกไปเยอะเลยอย่างคำว่าสมาธิสมาธิเราชะไปวาดภาพว่าคือความสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต เราไปเปิดพระชนานุกรมดูสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนี้ธรรมดาจิตนะั้นมีจิตก็ต้องมีอารมณ์การตั้งมั่นก็เลยตั้งได้สองที่สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตหรือสมาธิที่จิตไปตั้งอยู่ที่อารมณ์ถ้าซสมาธิที่จิตตั้งอยู่ที่อารมณ์เรียกอารามณูปนิชานเอาไว้ทําสมถะ สมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาทําวิปัสสนากรรมฐานและในขณะที่เกิดอริยมรรคขณะที่เกิดอริยผลในขณะที่พระอริยบุคคลเข้าผลสมบัติจะเกิดสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตในเรื่องเหล่านี้นะั้นมันสูญหายไปคําสอนอย่างนี้มันหายไปมันเลือนไปมันทําให้พวกเราภาวนา ลมลุกลุกคลานแทบเป็นแทบตายหลายปีทำไมไม่ได้ผลสัจทีได้แค่ความสงบแล้วก็ฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบเพราะเราไปทำสมาธิชนิดที่จิตติดตั้งอยู่ที่อารมณ์ไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนั้นเราไว้พักผ่อนเว่ามันเป็นที่พักผ่อนมันไม่ใช่ที่เดินปัญญาเราไม่ได้ทำมิปัสสนาจริงอย่างเรารู้ลมหายใจในจิตไปอยู่ที่ลมหายใจจิตแนบเพราะไปอยู่ที่ลมหายใจ ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรเลยก็นิ่งๆอยู่เป็นสมถะเวลาดูท้องพองยบจิตจะไหลไปอยู่ที่ท้องไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะนิ่งสงบสบายอยู่ก็เป็นสมถะอีกเนี่ยเพราะพวกเราไม่ได้เรียนธรรมะให้ดีเราก็ไปหลงทำสมถะแล้วคิดว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาไม่เกิดดอกคนละเรื่องกัน สมาธิชนิดที่จะทำให้เกิดปัญญาได้ต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่กับจิตนี่ถ้าหลวงพ่อพูดว่าสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตแปลไม่ออกอีกทั้งๆที่ภาษาไทยนะคำว่าสมาธิเราก็รู้จักคำว่าจิตเราก็รู้จักตั้งมั่นเราก็รู้จักนะแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าพูดภาษาของเรายุคนี้ที่ให้รู้เรื่องนะ ก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมตัวเองถ้าลืมตัวเองไปก็ไหลาตามกิเลสออกไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจคือไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่ง น, นั้นเป็นสภาวะที่จิตฟุ้งซ่านฟุ้งไปในอารมณ์ในการมคุณอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลาย หรือฟุ้งไปคิดในเรื่องสนุกสนานเรื่องก ร, รรมมาทำจิตหลงออกข้างนอกไปจิตไหลออกข้างนอกก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้แลตรงที่เรามีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยเราไม่ได้บังคับไม่ใช่ประคองความรู้สึกตัวต้องรู้สึกตลอด24ชั่วโมงจิตใจห้ามเคลื่อนไปที่อารมณ์เลยถ้าจิตใจห้ามเคลื่อนไปเลยนันบังคับจิตกดขม่มจิตมาก มันสุดโต่งมาข้างบังคับเป็นอตัตตะกิรมัฏฐานโยกก็ใช้ไม่ได้อีกสภาวะที่พอดีพอดีก็คือรู้สึกตัวอยู่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ฟุ้งซ่านล่องลอยไปจิตใจอยู่กับตัวเองอยู่อย่างสบายๆอยู่อย่างสงบสุขไม่ได้กดขี่บังคับมาห้ามเคลื่อนบางทีก็มีคนมาถามหลวงพ่อทำอยังไงสภาวะ ที่เป็นกลางเนี่ยที่รู้ที่ตื่นที่เบิกบานที่มีสมาธิมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยจะเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ตอบซื่ อ, อว่าทําไม่ได้หรอกสภาวะที่ถูกต้องนั้นเราทําไม่ได้ให้เรารู้สภาวะที่ผิดพลาดถ้าเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเองถ้าเราจงใจจะทําทจิตให้ถูกต้องจิตที่รู้สึกตัวถูกต้องเป๊ ะ, ปะแล้วก็รักษาไว้มันจะไม่มีหรอกทำไม่ได้ ให้รู้สิ่งที่ผิดนะแล้วสิ่งที่ถูกจะเกิดขึ้นเองมันเหมือนมีข้อสอบปรนัยนะคิดถูกคิดผิดแหละถ้าเราตอบอย่างนี้ผิดนะเราก็จะรู้แล้วว่าที่ถูกเป็นยังไงนั้นเรารู้สิ่งที่ผิดนะเรียนจากสิ่งที่ผิดเราจะได้สิ่งที่ถูกเรียนจากของไม่ดีเราได้ของดีอย่างเรียนจากตัวทุก ในที่สุดตัวพ้นจากตัวทุกข์เข้าถึงบรมสุขหรือนิพพานนิพพานนี่อยู่เที่ยวหาไม่ได้อย่างนิพพานเราจะเที่ยวหานิพพานไม่ได้ภาวานายังไงจะเห็นนิพพานไม่ได้ต้องเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามเห็นตัวทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเขาวางตัวทุกข์ก็ไปเห็นนิพพานสมาธิที่ถูกต้องก็เหมือนกันจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้เนี่ยเราทําขึ้นมาไม่ได้เหมือนเราทํานิพพานขึ้นมาไม่ได้ แต่ถ้าเมื่องไรเรารู้ว่าจิตมันเดินพลาดไปจิตมันฟนนรรุ้งซ่า น, นไปมันหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปจิตมันหนีไปคิดแล้วนความรู้สึกตัวที่แท้มันจะเกิดขึ้นเองมันจะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะถ้าจงใจอย่ารู้สึกตัวนี่จิตจะแน่นๆนหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมที่จิตที่ทื่อเป็นอากุศซจิต ไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลเลยกลายเป็นว่ายิ่งปฏิบัตินะ่ะอกุศลยิ่งงอกงามเราแยกไม่ออกว่าสภาวะจิตที่เป็นกุศลเป็นไงจิตที่เป็นอกุศลเป็นไงนั่นให้เราคอยรู้สิ่งที่ผิดไม่ต้องทำสิ่งที่ถูกถ้าเมื่อไรไม่ทำผิดเมื่อนั้นถูกเองสิ่งที่ผิดในการที่จะดำเนินจิตให้เข้าสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวความเป็นกลางความตั้งมั่น มีสงานเท่านั้นเองอันหนึงหลงออกไปไหลออกไปอันหนึ่งบังคับให้ตั้งอยู่หลงไปไหลไปก็หย่อนเกินไปเรื่องกามสุขาริการนุโยคบังคับให้ตั้งอยู่ก็อึดอัดเคร่งเครียดเกินไปเรื่องอัตตะกิลมัฐานุโยคไม่ใช่ทางสายกลางถ้าจิตเราไหลไปเราให้เรารู้ทันนี่หย่อนไปเรารู้ทันจิตที่เข้าสู่ทางสายกลาง ถ้ามันประคองอยู่บังคับอยู่เรารู้ทันว่าประคองอยู่นะน่ค่อยๆ ค, ค, คลายออกแล้วนกะ็จะเข้าสู่ทางสายกลางแต่ยากหน่อยได้จิตไปติดประคองนะแก้ยากให้จิตหลงซะอย่างดีจิตหลงแล้วเรารู้ว่าจิตหลงไปนะมันจะพอดีเป๊ะเลยพอดีอัตโนมัติเลยแต่ประคองอยู่รู้ว่าประคองอยู่ไม่ปล่อยทีเดียวหรอก ทำไมจิตหลงลเรารู้เราก็หยุดอัตโนมัติได้ทําไมประคองอยู่รักษาจิตอยู่รู้แล้วมันไม่ดับอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงไปนะัเป็นอกุศ ล, ลจิตทันทีที่สติเกิดนะอกุศลจะดับอัตโนมัติเลยแค่นี้เองส่วนการประคองรักษาจิตนะั่นเป็นการทํากุศลนะเป็นกุศลที่จะไปอยู่กับโลกเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพภูมิที่ดีเนีย่ยเราคอยควบคุมตัวเองไม่ให้ทําชั่วเนี่ย ไปนิพพานได้ไหมไปนิพพานไม่ได้แต่ไปสุขถีได้นะจิตมันไม่ได้เป็นจิตที่ชั่วร้าย อ, อย่างเรานั่งเพ่งจิตยอยู่นี่มันไม่ได้ชั่วร้ายอะไรไม่ได้ทำบาปทาผิดอะไรสติไประลึกรู้มันก็ยังไม่เลิกเพ่งง่ายๆหรอกต้องรู้ทันจริงๆนะว่าลึกลงไปในการที่รักษาจิตยอยู่ลึกลงไปนะมีตัณหาซ่อนอยู่ตรงนี้ไปเห็นกิเลสนะ เห็นกิเลสม่ามีตันหาซ่อนอยู่อยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้พอเห็นถึงอยากปุ๊บความอยากดับนะตัวเพ่งก็หายเลยตัวเพ่งนั้นเป็นผลละเป็นการกระทําที่เกิดจากตัวกิเลสแต่เป็นการกระทําที่ดีแมกกิเลสทำให้เราทําดีก็ได้นะอย่างเวลาเราอยากได้มากผลนิพพานใช่ไหมเราก็ขยันภาวนาขยันภาวนาเป็นเรื่องดีเบื้องหลังเป็นกิเลส แต่ว่าตรงที่เราขยันภาวนาเนีมันเลยตึงเกินไปนะเรารู้แล้วมันมันก็เป็นกุศลอยู่นะมันก็เลยไม่หายแต่ถ้าเรารู้ทันว่าเนี่ยเบื้องหลังที่ไปประคองอยู่เนี่ยผู้อยากดีพอนะเห็นความอยากในะความอยากดับปุ๊บเหตุมันดับเนะี่ยการประคองก็หายนะถ้าเราแก้ก็แก้ที่กิเลสไม่ไปแก้ที่การกระทำหรือตัวกรรมหรือไปแก้ที่วิบากแก้ไม่ได้เลยเช่นไปเพ่งจนจิตแน่นนะทำไงจะหายแน่นหายแน่นไม่ได้เป็นวิบาก ต้องรับเพ่งแรงก็ต้องแน่นมากธรรมดาก็คอยจัดการตรงที่กิเลสมันฝุดขึ้นมาแต่ตอนที่จิตหลงไปไหลไปเนี่ยจิตเป็นอกุศลร้อยซนตให้เรารู้ทันพอเรารู้ทันไม่าจิตหลงไปไหลไปจิตฟุ้งซ่านทันทีที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านก็ได้สมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาเพราะงั้นคนที่หลงไม่เคยภาวนาเลยนะ เวลาเรียนกรรมฐานจะเรียนง่ายกว่าพวกที่ติดเพ่งพวกที่ไม่เคยเรียนกรรมฐานเลยนะจิตหลงอย่างเดียวพอรู้ทันว่าจิตหลงนะจิตก็จะตั้งขึ้นมาละแต่พอตั้งสักพักนะชำนี้ชํานานขึ้นมาก็จะกลายเป็นจิตเพ่งอีกก็อยากรักษาไม่ให้มันหลงอีกก็รักษาไว้กลายเป็นจิตเพ่งไปกลายเป็นนักปฏิบัติไปคนทั่วๆไปไม่ใช่นักปฏิบัติเนี่ยจิตมีแบบเดียวคือหลงหลงหลงหลงหล ง, ลงนะ พอได้ยินได้ฟังธรรมะบ้างนะหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นี่ดีมากๆนะพอปฏิบัติชำนี้ชำนานนะหลงแล้วรู้แล้วก็เพ่งหลงแล้วรู้แล้วก็เพ่งนะแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อนนะพอเริ่มลงมือปฏิบัตินะก็เพ่งเพ่งเพ่ง ink, เลิกเพ่งก็หลงมีแต่เพ่งกับหลงหลงกับเพ่งนะนี่พวกที่ภาวนาผิดนี่ถ้าเราภาวนาถูกนะ มันจะเริ่มเป็นลำดับไปอย่างหัดใหม่ๆนะเนี่ยเผลอเรารู้เผลอล้ว ร, รู้นี่พอดีนะแต่มันจะอยู่ได้ไม่นานไม่นานก็จะเกิดการเพ่งมันกลัวจะเผลอกลัวจะไม่รู้อยากรู้ตลอดเวลาอยากจะไม่เผลอตลอดเวลานี่ความอยากแทรกเข้ามาแล้วจิตก็เลยมีสามแบบเผลอไปแล้วรู้สึกแล้วก็เพ่งนี่พอชำนี้ชํานาญขึ้นนะต่อไปไม่เพ่งเหลือเผลอล้วรู้เผลอเรารูรารนะ้กลับไปเหมือนมือใหม่หัดหัดปฏิบัตินะ งั้นมือใหม่หัดปฏิบัติเนี่ยเป็นสภาวะที่ดีดีนะแล้วมันจะต้องไปวนใน loop ของการเพ่งอยู่อีกช่วงหนึ่งนะถ้าเราแก้วออมาได้มันจะเหลือเผลอเราเผลอแล้วรู้เผลอเรารู้อย่างนี้แล้วเมื่อฝึกไปเต็มรอบแล้วนะเต็มที่ก็เหลืออันเดียวอีกเหลืออันเดียวแต่อันเดียวกับคนละแบบกพวกไม่ปฏิบัติพวกไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยมีสภาวะอันเดียวนะคือเผลอเผลอเผลอหลงหลงไปเรื่อยหลงหลงหลห ล, ลไปเรื่อย แต่ว่าเมื่อปฏิบัติเต็มภูมิแล้วหรืออันเดียวคือรู้รู้รู้รู้นะไม่หลงหลงจิตมันไม่ไหลไปไหนเลยมันตั้งมั่นเด่นดวงโยเงี่นสภาวะสามแบบนี้นะเจะอยู่ในเส้นทางเดินของนักปฏิบัติคนที่ไม่เคยปฏิบัติเลยนะมันจะเผลอเผลอเลอไปหลงหลลงห ล, ลงไปนะคนที่ปฏิบัติผิดนะมันจะเพ่งเพ่งเพ่งเพงเ พ, งพหมดแรงเพ่งก็หลงไปเลยเผลอไปเลยนะ แล้ถ้าปฏิบัติถูกหน่อยนะก็จะเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้พอชํานาญขึ้นเผลอลรู้แล้วก็มาเพ่งพอชํานาญมากขึ้นแนละก็เหลือแต่เผลอกร็รู้เลิกเพ่งถ้าถึงขีดสุดจริงๆนะเหลือแต่รู้นะไม่เพ่งไม่เผลอถ้านะค่อยๆฝึกนะจิตนี้ค่อยพัฒนาขึ้นเป็นลําดับลําดับไปไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องยากเลยสภาวะธรรมทั้งหลายนะพวกเรารู้ เราครอบครองมาตั้งแต่เกิดเรามีรูปธรรมนำมาทำติดตัวมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเราล้าเลยที่จะรู้เท่านั้นเองร่างกายหายใจออกเรารู้ไหมร่างกายหายใจออกเรารู้เรารู้ได้แต่เราล้าเลยที่จะรู้ร่างกายหายใจเข้าเราจะรู้เรารู้ได้แต่เราล้าเลยที่จะรู้ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนเรารู้สึกได้ไหมรู้สึกได้แต่เราล้าเลยเราไม่สนใจจะรู้ หรือจิตใจเราจะเป็นสุขจิตใจเราจะเป็นทุกข์จิตใจเราเฉยเฉยเรารู้จักแม้สุขทุกข์เฉยเฉยเราก็รู้จักจิตจะเป็นกุศลจิตจะเป็นอกุศลนะโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูอิดชา้าพยาบาทกังวลครัวนะเซงเบื่อเซงกระเบือก็ไม่เท่ากันไหมสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างพวกเรารู้จักเท่านั้นแต่เราละเลยที่จะรู้ถ้าเราไม่ละเลยนะคอยรู้สึก เราใครรู้สึกจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสมาธิที่ถูกต้องให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็มาดูกายดูใจมันทํางานไม่หลงไม่ลืมมันไปไม่ทิ้งมันไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกได้อยู่แล้วแต่เราล้าเลยร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งแล้วใคยรู้สึกรู้สึกไปเรื่อยๆนะอันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติ หรือว่าร่างกายเป็นสุขเรารู้ทันร่างกายเป็นทุกข์เรารู้ทันอันนี้ก็เรียกว่ารู้ด้วยสติจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตใจเฉยๆเราคอยรู้ทันมันรู้ได้อยู่แล้วนะก็แค่คอยรู้อันนี้ก็เรียกว่ารู้ด้วยสติจิตใจเป็นกุศลนะเราก็คอยรู้จิตใจเป็นอกุศลมีโลภมีโกรธมีหลงเราก็คอยรู้เาโลภขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาแล้วหลงขึ้นมาแล้วอันนี้รู้ด้วยสติ การปฏิบัตินั้นมันยังมีสองขั้นนะเมื่อเรารู้ตัวได้แล้วเนีมันมีขั้นแรกมารู้ด้วยสติขั้นที่สองรู้ด้วยสติปัญญาตัวปัญญาเนี่ยคือตัวความเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในใกายในใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้ น, น่ะล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นตรงที่วิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นเนี่ยต้องเห็นว่า เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะเห็นกายเห็ในใจเนี่เพราฉะั้นอย่างสมมติว่าความสุขเกิดขึ้นในใจเรารู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นนะถ้ารู้อยู่แค่นี้แล้วก็ลืมไปนะไปดูอันอื่นนะอย่างนี้เรียกวมีสติเฉยๆตรงที่รู้ทันว่ามีมีความโกรธเกิดขึ้นหรือมีความสุขเกิดขึ้นนะแต่ถ้าจะทำวิปัสสนาเพราะอ่างความสุขเกิดขึ้นเราก็รู้รู้แล้วอย่าหลงลืมไปที่อื่นซะนะรู้ก็รู้สบายๆจิตใจเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ ความสุขเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าความสุขกับจิตใจเป็นคนละอันกันนะพอเห็นความสุขกับจิตใจเป็นคนละอนกันเราจะเห็นเลยความสุขเนี้คยค่อยๆเฟดไปค่อยๆสลายตัวไปกนะลายเป็นอุเบกขาเนี่ยความสุขหายไปแล้วเออเนี่ความสุขเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วหายไปนะความสุขไม่เที่ยงนี่แหละรเรียกว่าปัญญานะแต่ไม่ใช่คิดเอานะก็ดูซ้ําดูซ้ําไปเรื่อยแล้วถึงวันหนึ่งจิตมันจะปิ้งขึ้นมาเองว่าโอ้ ทุกอย่างนี้มันไม่เที่ยงความโกรธนี้มันไม่เที่ยงความโลภมันไม่เที่ยงความฟุ้งซ่านไม่เที่ยงความหดหู่ไม่เที่ยงความสุขไม่เที่ยงความทุกข์ไม่เที่ยงหรือดูไปเรื่อยก็เห็นเลว่าความสุขความทุกข์เราก็สั่งไม่ได้สั่งให้จิตสุขก็สั่งไม่ได้นะห้ามจิตทุกข์ก็ห้ามไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเดินปัญญาคือเห็นความจริงเห็นว่าเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ เนี่ยในขั้นเดินปัญญาเนี่ยต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะของกายของใจของรูปของนามถ้าลําพังเห็นรูปเห็นนามอยู่เฉยๆเช่นเห็นความโกรธเกิดขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้ดูหรอกว่ามันเกิดได้ดับได้มันมีเหตุมันเกิดหมดเหตุมันดับบังคับไม่ได้ไม่ได้เห็นอย่างนี้นะเห็นแค่ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็เลิกมันไม่สนใจมันอย่างใครเคยไหมเวลาโกรธใครสักคนนะเห็นความโกรธเกิดแวบหนึ่งแล้วก็เลิกดูนะไปดูให้คนที่ทําให้โกรธต่อละ แตอย่างนี้ไม่เป็นวิปัสสนานะมีสติในขณะที่เห็นความโกรธเกิดแล้วก็ขาดสติต่อเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้ถ้ามีสติและมีใจเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโกรธมันอยู่ต่างหากจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากนี่แยกกันแล้วก็ความโกรธนี่นะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะหรือเห็นว่าความโกรธเกิดได้ก็ดับได้เป็นตัวเองไม่ต้องไปดับมันมันดับของมันเองอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานะ คือเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมงั้นสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจปัญญาเป็นตัวเป็นตัวเข้าใจปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเน่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอาศัยการเจริญปัญญามากเข้ามากเข้านะเห็นเป็นคปล่าวๆการเจริญปัญญานี่ยไม่เหมือนอ่านหนังสือไม่เหมือนเรียนหนังสือนะ อย่างขณะที่เราอ่านหนังสือเราเกิดปัญญาตลอดเวลาไหมไม่เกิดนะมัเกิดความเข้าใจเป็นช่วงๆใช่ไหมแต่อ่านหนังสือแล้วก็อ่านไปเรื่อยๆก็แบบคล้ายๆกันนะคล้ายๆกันไม่ได้ต่างกันมากเวลาเราหัดดูจิตดูใจก็เหมือนเราอ่านหนังสือแต่ตรงที่ปัญญาเกิดนะัเกิดแวบเดียวเกิดในขณะเดียวแวบเดียวเท่านะั้นเกิดเป็นช่วงๆไปนะอย่างเราอ่านหนังสือเนะราอ่านไปพารากราฟหนึ่งแล้วอ๋ออันนี้ อ่านอ่านไปอ๋ออันนี้บางทีอ่านแล้วหนังสือนี่ยากนะอ่านแล้วแทนที่จะออกก็เออะไรเออะไรนะเวลาเราพอนานนี่มีแต่ออกับเอนะรู้สึกไหมอะไรเยอะกว่ากันเออไม่ค่อยมีเนาะนานนอ๋อทีหนึ่งนึกออกไหมอ๋ออย่างนี้เองแต่เวลาปัญญาเกิดนะบางทีไม่อ๋อไม่เอนะบางทีเอ้เลยนะ เอ๊ะเป็นอย่างนี้เหรอเอ๊ะอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอบางทีเอ๊ะเลยนะแบบอัศจรรย์ใจนะถ้าระดับเอ๊ะเนี่ยนะระดับได้ดิบได้ดีแล้วถ้าระดับอ๋อออไปเรื่อยๆนะอย่าไปแกล้งอ๋อนะมันจะกลายเป็นเออถ้าคอยรู้คอยดูของเราเรื่อยนะดูสภาวะนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วก็มีสติก็คือ ค อ, นน ค, อคอยรู้ทันร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงคอรู้ทันร่างกายหายใจออกรู้ทันร่างกายหายใจเข้ารู้ทันมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่มันจะเห็นกายกับใจเป็นคนละอนกันในสุดปัญญาก็เกิดได้เห็นในร่างกายที่หายใจออกก็ชั่วคราวร่างกายหายใจเข้าก็ชั่วคราวอย่างนี้เรียกปัญญานะแต่ไม่ใช่คิดเอานะเป็นความเข้าใจซึ่งเกิดขึ้นกับจิตใจของเราอย่างฉับพลันเกิดในพริบตาเดียวเท่านั้นเวลาความเข้าใจจะเกิดแต่ละครั้งแต่ละครั้ง แต่ก่อนที่ความเข้าใจจะเกิดนะต้อ ง, ต, องต้องอ่านต้องเรียนต้องฟังนี่แม้เหมือนอย่างเรียนหนังสืออ่านหนังสือไปนะีก็เกิดความเข้าใจเป็นช่วงๆปฏิบัติทำก็ดูกายดูใจไปเรื่อยนะดูบ่อยๆไปแล้วความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆคือปัญญาจะเกิดเป็นช่วงๆเวลาปัญญาเกิดนะจะมีความสุขอยู่ไม่เกินเจวันมีความสุขได้เหมือนกันเวลาเราเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะอันใดอันหนึ่งขึ้นมารู้สึก no? ไหมมีความสุข เป็อิ่มอิ่มใจนะแต่ไม่เกินเจวันแล้วเวลาที่เราเดินปัญญาไปเรื่อยๆบางทีจิตรวมเข้าสมาธินะจิตเข้าสมาธิได้พอจิตเข้าสมาธิก็ออกมามีความสุขก็ไม่เกิน7วันเหมือนกันนใความสุขในการทําวิปัสสนาก็มีนะความสุขในการทําสมถาก็มีแต่ความสุขในการทําสมถานี่เป็นความสุขของเด็กไร้เดียงสาในหลวงปู่เทพบอกนะความสุขจากการทําวิปัสสนาเนี่ยมันเหมือนความสุขของผู้ใหญ่มันอิ่มอกอิ่มใจ นะว่าได้ทำงานที่สำคัญสำเร็จแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะมีความสุขด้วยกันแหละความสุขก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะแต่ความสุขนะั้นคนละลักษณะกันความสุขแบบเด็กไร้เดียงสาไปเล่นมานะเหนื่อยมาแล้วได้กินได้ติมนะสู้หัวหลับไปเลยน้ำท่าไม่อาบก็มีความสุขละนะอย่างสกปรกมอมแมม อย่างเราภาวนาทําความสงบทําสมถะนะกิเลสเต็มหัวใจโสมกโป่งมอมแแมมก็ยังมีความสุขได้นะสุกหัวนอนหลับไปล้นะให้จิตหลับเงียบเงียบไปแต่ถ้าทำวิปนะัสสนาโอ้โหมันสะอาดหมดจนมันล้างกิเลสไปแล้วนะมันอิ่มอกอิ่มใจนะไม่ใช่สงบมีไม่ใช่มีความสุขแบบหัวสุ้หัวซุนโง่ๆแบบเด็กๆน้องนะมันจะเต็มมันจะอิม่มขึ้นมาคนละแบบกันแต่มีความสุขนะแต่สุขไม่เหมือนกัน เราเชิญไปทานข้าวนะทานข้าวก็คือการปฏิบัติธรรมอีกนั่นแหละ